ขอความสุขความเจริญจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาเมตไลรยสีปทุมในวันนี้จะพูดเรื่องโสนสูตรคือประสูตรที่ว่าด้วยเรื่องของพระโสนะพระโสนะนั้นเป็นพระเทระระดับเนตตกะสาวก ที่ได้รับจกย่องจากพระพุทธเจ้าว่าเป็นผู้เลิศกว่าภิกษุทั้งหลายในการกล่าวธรรมะด้วยเสียงที่ไพเราะสละสลวยีิจความโดยสรุปว่าเมื่อพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่พระเชตต ว, วันในคราวนั้น พระมหากัจจายนะเทระพักอยู่ที่ปวัตตะบันพศแควนกุรุรัคระในวันตีชนบุตรพระมหากัจจายนะเทระก็คือพระสังกัจจายที่เรารู้จักกันโดยทั่วไปอดีตเป็นปุรหิตของพระเจ้าจันทรปดชด ตอนพระเจ้าเสด็จอุบัติขึ้นในโลกใหม่ๆประเกติคุณปรากฏแพร่หลายกระจายไปจนถึงแควนอุเชนีในอันตชุดนบุตก็ อ, อยู่ทางอินเดียตอนเหนือพระเจ้าจันปรปฏิชอดที่แปลว่าพระประชอดผู้หลอกลายแต่ก็มีความศรัทธาเริ่มใสสนใจที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า จึงได้ส่งกจัจจายนะหมาหมาตหรือปุโรหิตเนี่ยกับอามาตย์อีกเจ็ดท่านให้มาเฝ้าพระพุทธเจ้ากรับถูกรับธนาให้ไปเผยแผ่ศาสนาที่อุเชนีในวันที่ชนบทตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของพุทธบารมีหรือของพุทธานาุภาพ คือเรามองว่าศาสดาทั้งหลายที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยจะระเผยแผ่ศาสนาแล้วก็ไม่มีใครต่อต้านขัดขวางมากนักคือไม่ถึงกับไม่ต่อต้านขัดขวางนะฮะไม่ต่อต้านขัดขวางนะั้นเรียกว่าไม่มีในโลกก็ได้แต่ว่าต่อต้านขัดขวางได้น้อยแล้วก็ไม่ประสบความสําเร็จ ก็มีพระพุทธเจ้าหนึ่งแล้วก็ท่านวัฒมานะหรือท่านมาวีระก็มีมีคนต่อต้านกัดขวางน้อยแต่ว่าท่านก็มีความรู้สึกว่าพระเจ้าเป็นศัตรูเป็นปฏิปักษ์เป็นผู้กัดขวางต่อท่านแล้วท่านองเจอเท่าเจอเนี่ยมีคนกัดขวางน้อย ส่วนบางศาสนาเราจะพบว่าศาสนาจะประสบภัยอันตรายถูกต่อต้านขัดขวางจนถึงก็เป็นศึกสงครามไอตรงนี้มันก็สะท้อนกลับมาสู่คำสอนอคำสอนส่วนหนึ่งนั้นจะเพื่อรักษาตัวให้รอดและรักษาองค์กรให้รอดและขยายองค์กรให้ได้เมื่อ ไม่มีใครเปิดโอกาสให้มันก็ต้องใช้วิธีการที่รุนแรงซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาประการหนึ่งในโลกมนุษย์ยแต่ว่าพระเจ้าของเรานั้นเลื่อนไหลนะฮะเรียกว่าเลื่อนไหลไปเลยคือระดับยอดของสังคมพระราชมหาพรามหมเศรษฐีพวกอมาตะผู้ใหญ่เนี่ย ไม่มีใครตั้งตัวเป็นข้าศึกกระโโตกก็จะมีอยู่บ้างก็เป็นเล็กๆเช่นพวกปเทวทัตพวกเนี้ยพวกอัญญาเดรชีทั้งที่ชื่อเสียงเกติกคุณพระพุทธเจ้าปรากฏไปแต่ว่าพระยาจันมประชนเองก็ไม่เคยสัมผัสพระพุทธเจ้าว่วาเกติคุณจะเป็นไปเช่นนั้นจริงหรือไม่ เราก็เห็นร่องรอยของประวัติศาสตร์ประกาศหนึ่งก็คือโลกโรอคอยพระอระหันตสมาสัมพุตตะเจ้าเป็นยุคสมัยที่โลกกำลังรอคอยเพราะสังคมอารยันยุคนั้นถ้าเราดูประวัติศาสตร์นมันเป็นสังคมที่ถึงจุดสุดยอดของสองกระแสคือแสวัตถุ น, ยนิยมในกระ็กลายเป็นการมาสุการริการโยกไปแล้ว กระแสติดจิตนิยมก็สุดขั้วไปอีกด้านหนึ่งคือไปทรมานร่างกายไปแล้วมันก็ถือว่าเป็นยุคที่เข้าถึงจุดสุดยอดของทั้งสองฝ่ายทั้งสองทั้งฝ่ายวัตถุแล้วก็ฝ่ายจิตใจใคล้ายๆกับเวลานี้นะฮะเวลานี้เราเห็นว่าโลกมันเข้าสู่ยุคตรงนั้นแต่ว่าความโน้มเอียงทางวัตถุนี้สูงกว่าแล้วก็มีค่าวว่า จะรุกคืบคลานเอาประชากรฝ่ายจิตนิยมไปเป็นพวกแล้วก็ตกเป็นเครื่องมือตกเป็นทาตได้ในที่สุดแต่ว่าสังคมขาดการชี้นำขาดความสำนึกที่ถูกต้องเนะี่ยแล้วมันเป็นกระทบธรรมชาติกระทบสภาพแวดล้อมกระทบลักษณะทางภูมิศาสตร์อะไรต่างๆก็สรุปว่ากระทบทาตนะครับ กระทบดินน้ำลงไฟอากาศมันเกิดวิปริตแล้วก็ย้อนกลับมาสู่มนุษย์เองมนุษย์ก็จะเป็นอันตรายก็อยู่ทากลางพวกมลพิษทั้งหลายนะในสุดในความเปลี่ยนแปลงน้าต่างๆคงเกิดขึ้นอีกแยะนะแต่ว่าเป็นธรรมไยพุทธกาลพระเจ้าท่านเกิดมาก่อนแล้วก็มาหยุดจัง พวกวัตถุนิยมลงไปผู้มาเสษฐีทั้งหลายก็สลายทรัพย์สมบัติลงไปเพื่อช่วยเหลือสังคมคือไม่ไปกระจุกตัวอยู่ในจุดใดจุดหนึ่งสังคมก็มีความเอื้อทอนต่อการมีการดูแล ก, กันแล้วกระแสของจิตนิยมระดับกลางคือไม่เข้มข้นะเป็นสายกลาง ก็ใช้วัตถุนิยมเป็นเครื่องมือเป็นปัจจัยในการดำเนินชีวิตก็ควบคุมทิศทางของโลกของสังคมให้ดำเนินไปสู่ความสงบยาวนะถึงกระแตเรานับประวัติศาสตร์เราดูช่วงของประวัติศาสตร์ที่นานมันก็แกว่งอยู่บ้างนิดๆหน่อยๆเยป็นลักษณะกระเพื่อมมันไม่ถึงกับกระแทกกระทันโครงครามรุนแรงอะไร แสดงว่าโลกมันก็พลิกพิกมาอย่างนี้ทำยังไงว่าให้วัตถุเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของจิตให้ความสะดวกแก่จิตแล้วก็จิตก็เป็นผู้นำโลกนำวัตถุทั้งหลายบริหารจัดการกับวัตถุให้เป็นประโยชน์เกื้อกูลต่อ ต, ตัววัตถุด้วยแล้วก็เกื้อกูลต่อโลกต่อสังคมด้วย เป็นปัญหาใหญ่นะฮะคือพูดง่ายแต่ทายากพระเจ้าจันท์ประโชดเป็นเรื่องที่น่าสนใจว่าเป็นกษัตริย์รุ่นแรกแรกๆนะฮะถ้าเรานับแล้วก็มาเริ่มจากพระเจ้าพิมพิสารแล้วก็ต่อไปก็เป็นพระเจ้าสุทโธทนะในระหว่างเนี่ยระหว่างตรงนี้น่าจะเป็นพระเจ้าจันร์ประโชด คือยังไม่ถึงยุคที่พระเจ้าประเกกสริฐในกุศลเข้ามานับถือพระพุทธศาสนาแต่ว่าตอนตอนนี้เป็นยุคที่พระเจ้าไปอยู่ที่น้นแล้วนะฮะไปอยู่ที่สาวัตถีไปแล้วคือพระเจ้าประเกกสริฐในกุศลก็คงเข้ามาเป็นพุทธสาวกไปแล้วพระพุทธเจ้าก็ให้เมื่อพระมหา ก, กจาจยานะกับเพื่อนกับสหายมาเฝ้าฟังพระธรรมเทศนา แล้วก็บรรลุมรักผลเป็นพระหันกราบทูระราชนาวพระเจ้าเพื่อเสด็จโปรดพระเจ้าจนันทร์พระโชตอุเชนีในแควนวันดีพระเจ้ารับสั่งมาให้เธอไปเองเถอะเมื่อพระราชาเห็นเธอเราจะเลื่อมใส่เพราะว่าเลื่อนใส่กันมาก่อนหวัวนภากระจ ย, ยนะจึงถือว่าเป็นหัวหน้าพระธรรมทูตยุคแรก ยะเข้าไปสู่วันตรีชนบทคือเข้าไปทางอินเดียเหนือแล้วเผยแผ่ศาสนาก็ได้ผลนะกว้างขวา ง, วางแต่ทีนี้พระอราหาัรที่เป็นสหายเนี่ยก็ต่างก็แยกยาก้ยาย ก, กันไปเพราะงัน้นจำนวนพระก็อยู่ก็จัดกระจายกันในที่ต่างๆก็ทำให้เกิดปัญหาในด้านวิเนย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับสังกกรรมเนี่ยคือการจะหาพระมาทําสังกกรรมสิบรูปดีกระเป็นปัญหาใหญ่เลยหาไม่ได้พอเริ่มบวดแล้วท่านก็กระจายออกไปแผ่ศาสนาออไปเรื่อยพอมีวินัยเกิดขึ้นมันเกี่ยวกับบูบสถสังฆกรรมเกี่ยวกับยัตติจตุตกรรมอุปสัมปทาอะไ ร, ต, ะไรต่างๆพอตอนนั้นเกิดปัญหาเรื่องเขาเรียกการลกัสงค์คือสงที่ร่วมกันการทางานเนี่ย พระวินัยกำหนดเอาไว้ว่าพระที่เข้าเป็นคณะบวชคนอื่นเนี่ยต้องมีสิบรูปขึ้นไปก็ในการต่อมาในอุบาสกท่านหนึ่งชื่อว่าโสนะโกติกันนะือโสนะที่ดังอยู่ในสององค์นะโสนะโกติกันนะกับโสนะโกลิบิสา ก็เป็นระดับอิสระชนคือคนระดับที่มีฐานะทางสังคมสูงด้วยกันทั้งคู่ก็เป็นอุบาสกที่ทำหนาที่ดูแลอุปถากพระมหากัจจยนะคือวิถีชีวิตของนักบวชสมัยพุทธกาลเราดูแล้วว่ามันมียงอุปถากเปนรายหลายไป บางค น, นอาจจะมีบางรูปอาจจะมีโยมหลายคนบางรูปอาจจะมีคนเดียวบางรูปอาจจะไม่มีประมากระใจชนะก็มีโสนอุบาสกเป็นโยอุปผาหลังจากฟังธรรมบ่อยๆก็คิดพิจารณาถึงธรรมะาไปบ่อยๆวันหนึ่งท่านไปเข้าสู่ที่สงบที่ท่านเรียกว่าหลีกเร้นอยู่ในที่ลับ ก็ได้เกิดความไปวิตกขึ้นว่าธรรมะที่ประมาัจร ย, ยนะได้แสดงเนี่ยด้วยอาการใดๆก็ตามทมนั้นจะปรากฏโดดเด่นขึ้นมาต่อเมื่อเราได้พิจารณาหมายความธรรมนั้นจะต้องผ่านกระบวนการคิดกระบวนการปฏิบัติเป็นหลักการของ สุตามัจยปัญญาจินตามัจยปัญญาแล้วก็ภาวนามัจยปัญญาเนี่ยก็เป็นหลักการตรงนี้คือจะชัดเจนจริงๆเนี่ยต้องอาศัยการปฏิบัติแต่บาง ข, าขั้นตอนนะคือการคิดการฟังการคิดการพิพจินิปปิจนาการขบเจอ่อจนเกิดความเข้าใจแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติ แต่ทีนี้พอกรจริงแล้ววิถีชีวิตของผู้ครองเรือนเป็นชาวบ้านผู้ครองเรือนเนี่ยคือมันเป็นเรื่องเขาเรียกว่าภูกกจจาหูกนณยาเรื่องมากใน ก, กิจมากต้องเกี่ยวข้องกับคนกับเหตุการณ์กับการงานกับภารกิจกับสังคมเนี่ยมันเยอะไปหมดชีวิตชาวบ้านเนีย ท่านจึงคิดว่าบุคคลผู้ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์โดยส่วนเดียดุดสังที่ขัดดีแล้วเนี่ยอันนี้เป็นอุปมาที่แปลกเนะี่ยคือแสดงว่าสังคงมีเยอะหอยสั่งนี่คงมีเยอะแล้วก็สังใช้ในพิธีกรรมต่างๆที่สาคัญสาคัญนะในพิธีของพราหมณ์เราจะเห็นว่าในปัจจุบันยังใช้สั่งกันแต่พูด้องการขัดเกลาเกล็เลนี่ยมักจะอุปมาเหมือนการขัดสัง ให้ขาวบริสุทธิ์หมดจดเข้าใจว่าประสบการณ์ในด้านนี้ของคนส่วนใหญ่ไม่มีมากเพราะนั่นอุปมาแล้วมันเกิดภาพเกิดจินตภาพคือภาพที่เกิดขึ้นจากความคิดการจะทำให้หมดจดจริงๆเนี่ยไม่ใช่ทำได้ง่ายแล้วก็คิดว่าเราควรจะปรองผม และหนวดน่งผมผ้ากาสายะออกบวชเป็นบนรรพชิตเนี่ยเพิ่งสังเกตว่าโดยพระบาลีพุทธานุญาตจริงๆเนี่ยให้ปรงผมปรงงนวดนะฮซึ่งเราก็ไม่แน่ใจว่าครานี่เขาเขาเรียกว่ายังไงแต่วันก่อนหเห็นพระจีน แต่จีนจากแผ่นดินใหญ่เนะี่ยที่มานำพระาธาตุท่านว้เคราไดะยาวเฟื่อยเลยและพระจรีนเองก็จะมีลักษณะอย่างนั้นตอนในพระมินัยไม่ได้บอกให้โกนเคราบอกให้ปรงผมปรงหนวดแต่ก็ไม่ได้บอกโกนคิ้วด้วยนะฮะคิ้วก็ไม่ได้บอกให้โกนคิ้วก็เป็นโกนกันเฉพาะพระพระไทยพระลาวพระกรมน่น พระพมา่าพระลังกาแล้วอื่นๆ อ, อุตรนิกายทั้งหมดไม่ได้มีใครปรงุงก็เรียกโกลคิ้วอยู่สามประเทศแต่นั้นเองพอเราก็ถ่ายเทวัฒนธรรมถึงกันแลยกั น, นะไทยลาวเขมรที่จริงก็เปลี่ยนกันบวชนะเปลี่ยนขึนบวชได้หมายความคนไทยไปบวชที่ลาวแล้วก็มาอยู่เมืองไทยก็ได้คนไทยไปบวชที่ขเขมรแล้วมาอยู่เมืองไทยก็ได้ หรือขมຈมาบวชในไทยในลาวก็กลับไปอยู่ในขมຈในลาวก็ได้เพราะว่าเป็นสายเดียวกันที่จริงในแง่ความจริงก็สายเดียวกันทั้งหมดนะฮะแต่ว่ากิเลสมันไปแบ่งก็เลยกลายเป็นสายซะเยอะแหละท่านโซนาก็ได้นำความคิดของท่านเนี่ยไปเรียนให้ท่านพระมหากายนะทราบ จะ แ, แสดงความจำหนงจะออกบวชพระมหาจายณะเทระก็เห็นว่ายังไม่พร้อมเป็นลนักษณะการเตรียมความพร้อมเพื่อให้ท่านโสนมีความเข้มแข็งขึ้นภายในจิตพระท่านก็ให้มองดูถึงชีวิตแบบนักบวชบอกว่า การบวชเป็นนักบวชเนี่ยก็ยเรียกว่าในที่นี้เรียกว่าพรหมจันทร์เป็นการปฏิบัติฝึกปลือตัวเองมีพัตตหารหนเดียวหมายความว่าฉันข้าวมื้อเดียวหรือกินข้าวมื้อเดียวนี่ก็เป็นเหตุการณ์ในยุคต้นนะฮะ เ, เหตุการณ์ในยุคต้น แต่ในการต่อมาก็อย่างที่ทราบกันก็คือก่อนเที่ยงเนี่ยคือจะฉันอะไรก็ได้แต่หลังเที่ยงไปแล้วเป็นการห้ามรับประทานอาหารในเวลาวิกาลคือหลังเที่ยงส่วนจากเช้าถึงเที่ยงจะฉันอะไรเท่าไหร่ก็ฉันไปเพราะยังไงมันก็ถูกจำกัดด้วยความด้วยท้อง น, นนะฮะ ก็ไม่มีใครกินอะไรได้มากเกินไปหรอกแล้วลมีการนอนผู้เดียวตลอดชีวิตนั่นคือวิธีชีวิตแบบพระแบบนัก บ, บุตรแต่การนอนคนเดียวจนติดนิดสัยนะเวลาเป็นนอนมีคนอื่นอยู่ด้วยในห้องเนี่ยนอนไม่เคยหลับแล้วคอสะดุ้งอยู่เลย เพอร์นี้ที่จริงกินข้าวคนเดียวก็นอนคนเดียวเนี่ยมันขัดแย้งกันนะฮะเราเชื่อว่ากินข้าวคนเดียวก็มีปัญหาเรื่องกินนนอนคนเดียวก็มีปัญหาเรื่องนอนกามกินนอนกลัวเห็นไหมมีปัญหาสองข้อคือกามก็กินก็นอนในที่สุดก็จะเกิดความกลัวเลยก็บอกว่าให้ท่านเป็นคืหัดคลองเรือน ประกอบพรหมจันทร์อันมีพัดุมเดียวแล้วก็นอนผู้เดียวก็หมายความยังไงหมายความรักษาศีลแปดไปก่อนพราะถ้ารักษาศีลแปดมาคือนอนคนเดียวเหมือนกันแล้วก็กินอาหารดเดียวเหมือนกันศีลแปดหรืออาจจะทดลองที่ศีลมุบโบสถก่อนประศีลมุโบสถวันวันหนึ่งก็คือหนึ่งแต่ศีลแปดใ น, นหลายวัน ก็แล้วแต่ว่าเราตั้งใจจะรักษานานเท่าไหร่ซึ่งบางคนอาจจะเข้มงวดเป็นชีวิตแบบพรหมจันทร์คือรักษาศีลแปดตลอดเป็นนิตยศีลก็ได้ก็เข้มข้นขึ้นเยอะเหมือนกันแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ท่านโสนาเองก็มาคิดเป็นิจิจตนาแล้วก็คิดเหมือนเดิมอีกแล้วเข้าพบ พระมหากัจจานะเหมือนเดิมปฏิระก็ให้สติตักเตือนเหมือนเดิมจนถึงมาครั้งที่สามฮะจนถึงมาครั้งที่สามท่านก็คิดแนวเดิมอีกแลแล้วในที่สุดก็ตกลงว่าท่านก็ขอบวช พอบวชมันก็เกิดมีปัญหาเรื่องการกะสระสอนกว่าจะบวชต้องใช้เวลารวบรวมพระเพียงสิบรูปเนี่ยฮะใช้เวลาอยู่สามปีกว่าจะรวบรวมขึ้นมาได้แล้วก็มีพระครบสิบรูปบวชแล้วก็ ตั้งใจที่จะเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก็มาประลบว่าเราควรจะเข้าเฝ้าเพราะว่าตั้งแต่เป็นอุบาสมาและจนเป็นคนรสาศาสินป์แปดก็เป็นพระบวทใหม่เนี่ยยังไม่ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าท่านก็มาคิด เริ่มจะคิดอีกแล้วความเมื่อเรื่องไกลอ่ะหมายความว่าริยะทางจากอาวันอนตีชนบทมาที่สาวัถีเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายในสมัยนั้นก็ต้องคิดกันเยอะท่านก็อี ก, กเรีนอีกแล้วก็เข้าไปหาพระมหา ก, กจรยนะวิธีเข้าไปเป็นหลักการปฏิบัติเนี่ยท่านท่านจะสะท้อนเอาไว้ในพระสูตรเพื่อให้เป็น เป็นหลักการนะฮะเป็นหลักการเป็นวิธีการของการอยู่ร่วมกันกันกบลูกศิษย์กับอุปัชฌายาอาจารย์เปิดอภิวาทแล้วนั่งนะที่ควรส่วนขั้งหนึ่งซึ่งก็หมายความว่าใช้กันในโอกาสทั้งสาวกกับศาสดาแล้วก็ทั้งลูกศิษย์กับอาจารย์ก็เล่าความปริวิตกต่างๆของตนให้ฟัง ว่าท่านต้องการไปเฝ้าพระพุทธเจ้าตออุปชายยะอนุญาตเนี่ยถือแต่วิธีวิธีวิธีกราบเรียนเนี่ยท่านฉลาดคือถ้ากราบเรียนจะพราะความคิดของท่านแต่ว่าการจะตัดสินอนุญาตหรือไม่อนุญาตเนี่ยอยู่ที่อุปชายยะถ้าอุปชายยะบอกไปได้ก็จะไปแต่บอกว่าไปไม่ได้ก็จะไม่ไป อันนี้เป็นวิธีการลาอย่างนี้งก็เคยตั้งข้อสังเกตให้พักพวกระดับเจ้าวาดอะไรให้คิดเอาไว้ว่าการที่ลูกศิษย์มาลาแล้วก็ร อ, อนุญาตเลยเนี่ยมันก็ไม่จำเป็นต้องล า, าการลาบางอย่างเนี่ยควรจะแม่นุญาตบ้างมันต้องมีเหตุผลไม่ใช่ว่าเที่ยวไปเรื่อยเปื่อย ไม่รู้จักกาลเทศะในพรรษาก็ไม่มีเหตุผลนึกจะไปก็ไปอะไรอย่างนี้ไม่ได้คือต้องมอบหมายการตัดสินใจให้แก่อุปัชฌายาอาจารย์ไม่ใช่เราตัดสินใจเองแต่เวลาเลยก็กลายเป็นรูปแบบเป็นพิติกรรมทั้งๆ ท, ที่มันเป็นวินัยกรรมนะฮะคือวินัยกรรมกับพิธีกรรมเนี่ยมันต่างกัน วินัยกรรมนั้นต้องปฏิบัติตามนั้นแต่ว่าพิธีกรรมเนี่ยปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติก็ได้เป็นเพียงพิธีกรรมเท่านั้นเพราะในกรณีนี้ท่านจึงกำหนดเป็นวินัยกรรมเป็นวัดนะเป็นวัดปฏิบัติที่จะต้องประพฤติปฏิบัติได้เป็นไปตามนั้นอย่างพระในปัจจุบันเนี่ย แม้แต่มาเองที่จริงอายุก็เยอะแล้วนะแต่เวลาไปไหนถ้าค้างคืนเนี่ยเราต้องลาแต่ถ้าไม่ค้างคืนไปกลับก็ไม่ต้องนะฮะแต่ว่าถ้าไปไหนค้างคืนนะต้องไปลาแต่จวาวาไมาอยู่ก็รองลดหลั่นกันลงมาเกิดต้องลาผู้ใหญ่ที่เหนือเราขึ้นไปถ้าไม่มีผู้ใหญ่ก็บอกพระไอรับไว้ คือจะไปโดยลำพังเฉยๆนี่ไม่ได้ตอนมีลักษณะเป็นวินญยกรรมเมื่อพระหมหากรจยนะได้ออพระโสนะโกติกันนะได้อธิบายความคิดต่างๆของท่านให้ฟังพระมากรจยนะก็บอกว่าดีละดีละโสนะท่านตรงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคอารหัรนตสสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเถอ ท่านจักได้เฝ้าพระผู้มีพระภาคองค์นั้นผู้น่าเลื่อมใสควรเลื่อมใสมีอินทรีสงบมีประไทยสงบมีความสงบและความฝึกอันสูงสุดผู้ฝึกดีแล้วผู้คุ้มครองดีแล้วมีอินทรีสำรวมแล้วผู้ประเสริฐแล้วอันนี้คือคุณสมบัติคุณสมบัติของพระพุทธเจ้าแต่คุณสมบัติเหล่านี้ก็คือพระพุทธคุณนะ หมายความเราจะพูดถ้ายากก็ได้ให้สั้นก็ได้ก็ไม่แปลกอะไรอย่างที่เคยบอกว่าอุบาลีขึ้นนะ บ, บดีเคยสันเสริญพระพุทธคุณรวดเดียวเป็นฉันทลักนะร้อยคำด้วยกันร้อยพระนามด้วยกันแต่พระนามเหล่านี้ให้ลองสังเกตอีกทีหนึ่งว่าเป็นการสะท้อนปัญญาความบริสุทธิ์แล้วก็ความกรุณาของพระองค์ มันจะออกมาเป็นพระพุทธคุณสามข้อนับให้เป็นร้อ ย, ยหรือหลายร้อยก็ได้เพราะเราเกาะกลุ่มเราจะเห็นเลยพระพุทธเจ้าเลิศประเสริฐเหนือคนอื่นเนี่ยในสามจุดจใหญ่ๆด้วยกันคือทรงสมบูรณ์ด้วยปัญญาสมบูรณ์ด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็สมบูรณ์ด้วยความการุณาพอตาเรามองตรงนี้จะเห็นว่า คุณ น, นเรื่มใสเนี่ยควรเรื่อมใสมีทีสงบมีพระไัยสงบเป็นอาการของจิตที่บริสุทธิ์แต่ความบริสุทธิ์นั้นก็เกิดจากปัญญาที่ทำหน้าที่ขจัดโมหะพอโมหะเขาดับโลภะโทส ะ, ะ, ะอะไรต่างๆก็ดับตามไปเพราะเหล่านี้ก็จะทอนในเห็นถึงความบริสุทธิ์ที่มีอยู่ภายในพระไถยของพระองค์ แต่ภ า, ายในพระไทยเราก็เห็นไม่ได้มัก็เห็นจากอาการที่ปรากฏหรือที่นางยุลสุปทาได้กล่าวแก่สามีของตัวของนางว่าสมณะของเรานั้นมีสันตะกายโยสันตะวโจโยสันตะมโนมีกายสงบมีวาจาสงบมีใจสงบลักษณะเหล่านี้ก็คือกันผู้ถึงความสงบและการฝึกอันสูงสุด ผู้ฝึกดีแล้วเหล่านี้เราจะเห็นว่าตรงนี้จะมีทั้งปัญญาและความบริสุทธิ์ผู้คุ้มครองดีแล้วก็เป็นอาการของปัญญาที่จริงก็ของสติปัญญานะครับมีสี่สำรวมแล้วเป็นอาการของสติปัญญาผู้ประเสริฐเป็นลักษณะของประเสริฐทั้งปัญญาบริสุทธิ์ได้กรนะดุณา ก็เนี่ยก็สะท้อนอย่างนี้พระพุทธคุณจะกี่ข้อก็ต่างก็สะท้อนแต่ว่าไม่ใช่เป็นการสะท้อนพระพุทธคุณบทหนึ่งบทหนึ่งล้วนๆนะฮะคือสะท้อนหมดทั้งสามข้อแต่ละข้อเนี่ยสะท้อนหมดทั้งสามข้อก็ซ้อนๆกันอยู่เึงแต่เราดูอะไรเด่นกว่าอะไรเด่นกว่าก็เป็นอาการของอย่างนั้นใช้ใจก็อลาหงเนี่ยสะท้อนความบริสุทธิ์ แล้วถามยังถามว่าบริสุทธิ์จากอะไรบอกว่าบริสุทธิ์จากผู้อานสักกิเลสเครื่องสมองทั้งหลายอะไรทําให้บริสุทธิ์หรือว่าปัญญาทําให้บริสุทธิ์แต่อาการที่ปรากฏเป็นอาการของความบริสุทธิ์คืออาการของผลที่เกิดขึ้นจากปัญญาทําหน้าที่ขจัด ก, กิเลสแต่ในขณะเดียวกันใจที่บริสุทธิ์นั้นจะต้องมองโลกด้วยกรุณา คนนี้ก็จะยันกันเองว่าถ้าบริสุทธิ์ต้องกรุณาถ้าไม่กรุณาก็ไม่บริสุทธิ์เพราะการุณาเป็นบทพิสูจน์ถึงใจที่บริสุทธิ์จากกิเลสเป็นใจที่มุ่งประโยชน์มุ่งเกื้อกูลมุ่งความสุขแก่สรรพชีวิตทั้งหลายก็ยันคค่ะก็เราพูดดินน้ำลงไฟนะเราจะเห็นว่าที่ยิ่งพูดผสมมันไม่ใช่ดินทั้งร้อยเอร์เซนตหรอก ในความเป็นดินก็มีน้ำมีลมมีไฟมีอากาศอยู่ด้วยแต่ลักษณะเด่นมันเป็นดินเราก็พูดว่าดินตามปกติแล้วเราก็มักจะเถียงกันในเรื่อ ง, งนั้นเนี่ยคือเป็นเรื่องเป็นเรื่องแปลกเป็นเรื่องแปลกว่าคนเราเนี่ยก็ชอบเถียงชอบคัดค้านมีวาทะที่เป็นปฏิปักษ์คือขัดแย้งกัน โดยไม่มองในแนวของการประณีประนอมแล้วก็ถูกต้องคือใช้แนวมองในแนวนั้นก็ถูกต้องมั้นมองในคนละด้านนะเห็นคนละด้านคนใดประทับใจในส่วนใดเขาก็เน้นในส่วนนั้นอย่างที่ยกตัวอย่างว่าเราสันเสริญพระพุทธคุณเนี่ยอาจจะเริ่มจากการุณาอย่างบทนโมก็ได้อาจจะเริ่มที่บริสุทธิ์อย่างบทอรหังก็ได้ จจะเริ่มที่ปัญญาอย่างพุทโธสุโธก็ได้แต่นั้นแสดงให้เห็นว่าความซาบซึ้งที่เกิดขึ้นภายในใจของคนเนี่ยมีจุดประทับใจที่แตกต่างกันแต่การเหล่านี้เขาสะท้อนซึ่งกันและกันหมายความว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้มีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับสิ่งนี้ดับมันก็จะต่อกันไปอย่างนั้น แล้วก็บอกว่านิวิธีลักษณะฝากฝังสังเสียนะฮะฝากฝังสังเสียก็คือตัวคนสั่งเนี่ยไม่ได้ไปแล้วก็สั่งคนที่ไปบอกว่าท่านจงถวายบังคมพระบาทของพระผู้มีพระภาคโดยเสียนกล้าวตามคําของเราทูลถามถึงความ เป็นผู้มีอ า, าพาน้อยพระโรคเบาบางพระกปรีก็เปล่าทรงมีกำลังทรงอยู่สาํานานอันนี้ก็ถามสารทุกสุขดิบก็ยังนึกถึงคำถามแบบนี้ว่าในสมัยอาตมาเป็นเด็กๆเฉพาะเราก็โลกมันก็แคบนะฮะคือกว่าจะเห็นโลกว่างเนี่ยอายุก็เยอะแล้วอยู่ในท้องถิ่นชนบทที่ห่างไกล คำถามที่เขาชอบถามในฐานะที่เราเป็นเด็กอะ่ะคือพ่อเขาเห็นแล้วเขาถามมากินข้าวอะไรอย่างถ้าเจอก็ระหว่างถ่านเนี่ยเขาทำไปไหนนะถ้าก็เจอที่บ้านเขาเนี่ยก็าถามกินข้าวอะไรอย่างมีลักษณะอยากรู้แล้วก็ห่วงใหญ่แต่ถามว่าไปไหนที่จริงก็ก็ตอบปั๊บแล้วก็เฉยเนะครแต่ว่ากินข้าวอะไรอย่างเนี่ย มันแสดงถึงใจถือ อ, อือถถ้าบอกว่าอย่างท่านก็ต้องชวนให้กินก่อนแต่บอกกินแล้วท่านบอกกินอีกนะกินอีกหน่อยหรืจะมีลักษณะเอืออถทรแต่เผ้าเราในมือก็อาหายไปก็เวันนี้ก็มังเหลือสวัสดีสวัสดีรู้สึกจะเกิดสมัยจอมพลปอ คนที่คิดเนี่ยดูจะเป็นพระรารธรรมนิเทศหรือใครเนี่ยแถเนี่ยพวกครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับภาษาไทยเนี่ยก็ยเป็นลักษณะอย่างหนึ่งแต่ว่าในแนวของพระพุทธศาสนาเนี้จะถามในเกี่ยวกับทุกขกสุขก็เกี่ยวกับถามสุขทุกขพวกนี้จะมุ่งที่ความสุขของพระพุทธเจ้าทีนี้ ท่านก็อธิบายลักษณะวัตรปฏิบัตินะฮะวัตรปฏิบัติต่างๆว่าภิกษุที่จะออกจากสถานที่พักของตัวเองเนี่ยควรจะปฏิบัติตัวยังไงต้องรับผิดชอบในเสนาส น, นะต่ออุปชัยยะต่อวัดวาอารามต่างๆนะต้องมีความรับผิดชอบแล้วผิดชอบต่ออุปชัยยะแล้วจากนั้นก็กราบ พระมหากัจจา ย, ยนะแล้วก็ทำปัททักษินแล้วกเก็บอาสนะเก็บเนศนาสนะเก็บเอาไว้เรียบร้อยนะจเนะเสนาสนะเรียบร้อยคือหมายความว่าในขณะที่ท่านไม่อยู่เนี่ยคนอื่นเข้าไปอยู่ก็ได้คือพร้อมที่จะเข้าไปอยู่ได้แตาว่าไม่มีใครเข้าไปอยู่เนี่ยพวกพวกเครื่องใช้ทั้งหลายเนี่ยจะไม่เสียหายไปด้วย อ, อันตรายต่างๆเพราะว่าเป็นสุ บ, บัติของสงศ แล้วก็ถือบาตรได้จีวรหลีกใจริกไปทางพระนครสาวัตชีก็จนไปถึงพุทธสำนักแล้วก็กราบทูลพระพุทธเจ้าตามนัยยะที่ที่กล่าวไว้ในตอนต้นนะฮะพระพุทธเจ้าก็ส่งรับฟังโดยอ ด, ดสนุษนีนะฮะแต่ว่าถามว่า เป็นไงพิสูจเธอทนไหวไหมพอทนได้ไหมนะชีวิตร่างกายของเธอพอเป็นไปได้หรือลําบากในการเดินทางไหมหรือว่าเธอไม่ลําบากด้วยอาหารบินทบาตหรือไม่เนี่ยเรยเห็นว่าคําถามเหล่านี้พระเจ้าจะถามจะถามถึงความการบรรเทาของความทุกข์ถามว่าพอทนได้ไหมพอทนได้หรือ พระภิกษุก็จะกราบทูดว่าคมำนิยังพันเตพอทนได้ไปเจ้าค่ะตัวนี้จะถามหลายประเด็นนะฮะเพราะว่าเดินทางไกลก็บนเส้นทางลําบากไหมบนเส้นทางลําบากเรื่องอาหารการกินอยู่ไหมต่อโสน่าก็กราบถูนในสงทราบว่าประการแรกก็อดทนได้แล้วก็อัตภาพนี่เป็นไปได้ก็ไม่ถึงก็ลําบากบนเส้นทาง ในเรื่องอาหาระบิณฑบาตคือมันเป็นเราสะท้อนภาพสังคมนะฮะบนเส้นทางของอุเชนีมาถึงสาวัตถีเนี่ยเราเดินมาบนเส้นทางที่ไม่มีพระพุทธศาสนาแผ่เชื่อมโยงก็คงจะเป็นท่อนเป็นท่อนไปแล้วก็อยู่ที่อุเชนีแล้วก็นานนะฮะกว่าจะมาเจอชาวพุทธได้ แต่สังคมอารยันยุคนั้นนักบวชเยอะนะะนักบวชเยอะแล้วนักบวชเนี่ยก็ใช้แบบพิคขาจารด้ยกันหมายความว่าเดินอุ้มบาตรไปผ่านหน้าบ้านเข้าไปก็เดินไปอย่างนั้นเนี่ยใครเห็นก็ศรัทธาก็นิมนต์นิมนต์ให้เข้าไปสันนิมนต์แล้วก็ถวายอาหารตามที่ตนมีไม่ได้ตรดเตรียมไว้อย่างบ้านเราหรอก เขามีอะไรเขาก็กจัดเตรียมไว้บางครั้งบางคราวอาหารไม่เสร็จเขาก็นิมนต์ไปนั่งก่อนแล้๋ยวคุยกันทางข้างในเขาก็ทําอาหารแล้วก็มาถวายเครื่องอาจใช้ฉันที่นั้นหรือระบาดแล้วก็ไปฉันในที่ที่มีน้ำํำมีท่าจะล้างมือล้างบาทได้เป็นชีวิตลักษณะเหมือนกับนกฉันเรียกว่ามีบาทเป็น บริหารท่อมีจีบรบริหารร่างกายก็เหมือนนกที่เหินบินไปได้วยปีกไม่มีความอะไรไม่มีความผูกพันอยู่กับสิ่งทั้งหลายก็จากนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งให้พระนุ์บอกว่าเธอจงปู เสนาปูราตเสนาสนะสำหรับภิกษุผู้อคันดุกะนี้เถิดคือเป็นเป็นประพุทธ์ตรมหลัดที่แปลกพระานนท์เองก็เมื่อเกิดฉเฉลียวฉเฉลียวใจคิดนะฮะว่าพระพุทธเจประทับอยู่ตรงนั้นแล้วก็รับสั่งให้ปูราตอันสนะสาหรับภิกษุผู้อคันดูกะ รูปนี้ก็หมายความปูที่นั่นก็จะปูที่อื่นน่าคงไม่ได้ทีนี้ก็ทำให้เราเห็นว่าเป็นเหตุการณ์ในยุคที่พระอนุลนท่านเป็นอุปทาคแล้วแต่ว่าการบวชเนี่ยก็แสดงว่าพระโสนต้องบวชมาก่อนบวชมาก่อนพระอนุล เพราะตบวดที่หลังพระโนโนพระโนโนคงจะปูราดอันเส น, น, สนาชนะให้ไม่ได้เร่การมันเกิดที่สาวัตถนะีองคุ่นบวตที่อุเชนีก็ไกลกันก็พระโสนณามากเฝ้าในคราวนั้นที่จริงก็มาขอพรด้วยนะมาขอพรประมา ก, กินจะนะฝาก ขวากพอนแต่คว่าพอรอนเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงการให้สีนให้พรแต่หมายถึงขอลดหย่อนเงื่อนไขบางสิ่งบางอย่างที่เป็นวินัยส่วนปนัติวัชชะในส่วนที่บนบเป็นบทบัญญัติเป็นความผิดเฉพาะพระเ็าเรียกเป็นปนัติวัชชะคือมันผิดตามบทบัญญัติของพระวินัยแต่นั้นเอง พวกนี้ไม่ใช่ความผิดสากล น, นะฮะคล้ายๆกับการกระทํำมาเป็นคอมมิวนิสต์อย่างเงี้ยมันก็ผิดในประเทศที่ไม่เป็นคอมมิวนิสต์แต่มันถูกต้องเรียบร้อยในประเทศที่เป็นคอมมิวนิสต์พวกนี้มันเป็นเป็นบทบัญญัติเป็นกติกาเป็นข้อตกลงของสังคมว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดก็แล้วแต่แล้วแต่ท่านจะกําหนดเอาก็มีวินัยหลายข้อนะเช่นว่า การสวมรองเท้าเนี่ยเมื่อก่อนในรองเท้าชั้นเดียวนะฮะในชมพุทวีปเนี่ยแต่ในข้างนอกเป็นปัจจันในชนบทเนี่ยดินมันขรุขระรองเท้าชั้นเดียวในเดินแล้วก็เจ็บเท้าผมก็ขออนุญาตขออนุญาตให้ใช้รองเท้าหลายชั้นได้ที่การบวช การบวกกำหนดให้คณะผู้เขาเรียกการกระสสงกืสงที่พร้อมกันกระทำกรรมมีตั้งสิบรูปดิมันหายากนะขอลดหย่อนเป็นห้ารูปก็หมายความมาเป็นอุปชายะเป็นผู้นำหมู่เสององหนึ่งแล้วก็เมื่อองค์หนึ่งออกไปสวดเนี่ยคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาสวดองค์เดียวนะฮะองที่สวดเนี่ย แต่เราเวลานี้บางทีเราก็ใช้สองบางทีก็ใช้หนึ่งหรือที่ใช้สองนี่ที่จริงก็เพื่อจะช่วยกันทานนะแต่ว่าคําที่ใช้เนี่ยเป็นเอกพจน์นะไม่ใช่ประพจน์คือแกล้ๆกับต่างคนดังสุดแต่ก็ช่วยกันทานคนโปรหนึ่งออกไปสวดก็สวดประกาศกับสงฆ์สงฆ์ก็เลยมีอยู่สี่รูป เมื่อแยกก็ไปองหนึ่งกัอย่างเหลือยงเหลือมีอยู่สี่รูปก็เป็นสงหรือสังกกรรมนั้นก็จะใช้สงตั้งแต่สี่ขึ้นไปนะบางอย่างก็ห้า 5, บางอย่างก็สี่แต่ว่า4ขึ้นไปน่นก็ใช้ได้แต่อย่างสูงสุดก็มียี่สิบเนั้นก็เป็นเป็นการลดหย่อนในเรื่องของบทบัญญัติของพระวินัยที่เรียกว่าปันนติวัชชะ แล้วก็เกี่ยวกับพวกบริขารพวกจีวออรวอะไรต่างๆเนี่ยนะฮอสรุปว่าต้องการจะให้มันเกิดความสะดวกคือปัญหาบางอย่างวินัยมันกลายเป็นอุปสรรคแล้วก็วินัยตรงนั้นแหละอย่างท่านคริสต์มาสรำพรีที่ท่านพูดว้วินัยของพระสามข้อเนี่ยมันเป็นอุปสรรค เป็นประสักในการเผยแผ่าศาสนาของพระแล้วก็ผิดกระยุกสมัยแต่ว่าทั้งหมดทั้งสามข้อนี่เป็นปรรติวัชช่คือหนึ่งห้าไม่ให้ฉันอาหารเย็นคือสองไม่ให้นอนที่มุงที่บังซึ่งมีสตรีอยู่ด้วยและวก็สามไม่ให้รับเงินและทองท่านมองจากฝรั่งนะฮะเป็นนายกสมาคมบรีปรกรณ์ของอังกฤษแต่ก็บอกว่ามีปัญหาโรงแรม้าร้อยห้อง มีผู้หญิงอยู่ด้วยเพียงคนเดียวพระไปพักไม่ได้แล้วมันก็เกินไปอ่ะทีนี้การที่กินอาหารเพียงมื้อเดียวเนี่ยสมรับเมืองหานาวแล้วสุขภาพก็พังอ่ะอยู่ไม่ได้ตีการไม่พกพาเงินทองมันเพิ่มค่าใช้จ่ายเป็นตรีคูนทวีคฮนทาให้เกิดไม่สะดวกนั่นเป็นการมองทิฏมาธรรมพรีเขาพูดไว้หลายทีแล้ก็เราจะเห็นว่าความรู้สึก ต่อวิไนที่เป็นปันนติวัชชาไม่แจ่ก็มองในแนวโลกวัชชาโลกวัชชานั้นโลกวัชชาก็อย่างที่บอกนะครับก็คือพวกที่ผิดศีลห้าแต่นั้นเองเราจะมีแนวของปันนติวัชชาเพราะนันพระมหากระจายนะก็ฝากขอพรมาด้วยในคราบนั้นความเป็นมาของพระโสนะโกติกันนะ แล้วก็เป็นเดรได้รดับการยกย่องจากพระพุทธเจ้าก็ยังมีนิยะอีกก็คงจะยกยอดไว้ในวันต่อไปท่านังทั้งหลายเสียงธรรมจากหมาวิทยาลัยศ ร, รีวัุม์ในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญง้องามไยบูรย์ในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี